มีใครอยากจะถามอะไรไหมวันธรรมดาถามได้เพราะวันวันเสาร์อาทิตย์ก็ต้องเทศก่อนวันธรรมดาก็ไม่มีรูปแบบตายตัวใครมีคำถามอยากจะถามก็ถามได้ใครมีอะไรจะพูดก็พูดได้เโยมไปเจอจะแก้แก้แกใจที่ไหนอ๋อนัดกันไว้เพรพิธี เมื่อวานม่มาพัพที่นี่อ่ะข้าไม่วานเียอืมืบก็ปวดาคนเดียวนะมาคนเดียวอืาะที่เขาที่น่นมากับคุณก้ใากับแก้วใจแล้วก็ไปเอาสวนลด้วยกันอือแต่เขาที่นั่นก็มีที่พักเยอะไม่ใช่นะ70กว่ากด70กว่ากุเยอะแล้วมีแบบที่อยู่ประจำกันเยอะไหมเยอะเยอะเลยอือ ก็แสดงว่ามีญาติโยมผู้หญิงที่สนใจปฏิบัติกันเยอะะอืมจะอยู <c oughs> With, ่ประจําก yeah. ็ได้อยู่ชั่วคราวก็ได้อืมถ้ามีที่ว่างเขาก็ให้อยู่ก็ก็อบรมนั่นแหลก็ตัวเองก็ไม่เคยเข้าไปอ๋อไม่เคยเข้าไปใจเขเคยไปเราแนะนํำไปเอาหนังสือของท่านกองะอืมกับซีดีมา อ, อแล้วตอนนี้ปฏิบัติไปเทงไหนแล้วก็เพิ่งเริ่มคะอ่าเพิ่งเริ่มเพราะว่าเคยฝึกแบบนั่งบนเก้าอี้ค่ะอ่ายังไม่เคยฝึกนั่งนั่งคัทธรอมก็รู้สึกว่าพอพอถึงเวลาที่เขาเกิดอาการเนี่ยขาเกิ่มันมันกวนจนกระทั่งไม่สามารถจะนั่งต่อได้สติมีกำลังไม่พอ ลองพุทธโธพุทธโธไปเวลามันเกิดอาการเจ็บปวดที่ขึ้นมาตามร่างกายก็ <Okay. S 1> ให้พุทบริกรรมพุทธโธไปอย่าไปสนใจนะเดี๋ยวเมื่อคืนนี้ลองลองนั่งบนเก้าอี้ก็ดีอืมนั่งได้สองชั่วโมงเพรมันเป็นท้าที่เคยนั่งอืมมันก็ดีกว่าไปทํานูน่นทํำนี่อย่างน้อยได้นั่งเฉยๆเ่ียง<ๆ> แ, แต่ว่ามันยังไม่รวมมันรวมยาก ย, ยังไม่มถ้ารวมนี้จิตต้องไม่คิดอะไรต้องพุทโธพุทโธอย่างเดียวแล้วดูลมดู ล, ลมหายใจไปอย่างเดียวแต่ถ้ากำลังสติยังไม่พอมันก็รวมไม่ได้ <c oughs> ก็ต้องอาศัยการเดินบ้างการนั่งบ้างจเจริญสติไปก่อนมันจเจริญสติด้วยการบริกรรมพุทโธเลื่นด้วยการดูอิริยาบถของร่างกาย เฝ้าดูเวรยาบทเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายโดยที่ไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วสติก็จะมีกําลังเพิ่มมากขึ้นไปถ้ามีสติมากเวลานั่งก็สามารถดูลมได้ดูลมอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องไปคิดอะไรถ้าดูได้อย่างต่อเนอื่องเดียวมันก็จะรวมเป็นสมาธิขึ้นมา เวลารวมจิตก็จะนิ่งจะสบายจะมีความสุขมากเคยรวมได้ทั้งขาวสมัยก่อนอแต่ว่าประเทศนั่งแบบสิบวันรวนนี่ยังไมไ่เคยก็อาจจะเป็นเพราะไม่เคยมีเวลาออตอนนี้ถ้ามีเวลามากก็ลองทำดูยิ่งทำมากก็จะยิ่งได้มาก การปฏิบัตินี่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องถ้าปฏิบัติแบบขาดตอนนี่มันจะเหมือนกับขับรถเนี่ยรถขับวิ่งไปสักพักก็จอดจอดแล้ววิ่งต่อมันก็จะไปไม่ถึงไหนแต่ถ้าขับไปแบบไม่จอดนี่พรวดเดียวก็ถึงจุดหมายปลายทางพยายามปฏิบัติให้ต่อเนื่องให้สม่ำเสมอ ให้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่หยุดได้ก็ดีทำให้มันเป็นภารกิจประจำชีวิตเราเลยปล่อยวางภารกิจอย่างอื่นไปให้หมดถ้าอยากจะได้ผลทางจิตใจนี้มันต้องทุ่มเทให้กับงานของจิตใจถ้าเราไปแบ่งไปให้กับงานอย่างอื่นมันก็จะมาทำลาย งานของจิตใจอย่างน้อยไม่ทำลายก็ถ่วงให้มันช้าถ่วงให้ไม่ให้เกิดผลขึ้นมาอย่างถ้าทุ่มเทได้แบบนักบวชเนี่ยเขาบวชแล้วเขาก็มาอยู่อย่าบางคนก็บางคนก็มาอยู่นี่เป็นปีๆ ป, ปฏิบัติทุกวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงหลับเดินจนงกรมนั่งสมาธิ หรือจะเลนสติเวลาที่ทำกิจกรรมอะไรต่างๆคอยควบคุมจิตที่เป็นเหมือนเดิมมันชอบไปเที่ยวไปเล่นชอบไปคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงคนนี้แล้วก็ไปวุ่นวายไปเั่เขาแล้วชอบไปคิดอยากได้นู่นอยากได้นี่เดี๋ยวก็เตดิดเปิ ด, ป ด, ปดไ ป, ไปทําตามความอยาก เราต้องคอยควบคุมไม่ให้มันไปนอกลูก่นอกทางให้มันอยู่บนทางของความสงบให้มันคิดน้อยให้มันไม่คิดเลยถ้า ต, ต้องคิดก็คิดแต่เพื่อเรื่องจำเป็นต้องคิดจริงๆเรื่องที่ไม่จาเป็นจะคิดก็อย่าปล่อยให้มันคิดใช้คำบริกรรมพุทโธหนึ่งเอาไว้ก็ไดใ้ใช้ให้มันดูร่างกายก็ได้ว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทาอะไรอยู่ กำลังเดินก็ให้มันดูให้มันเฝ้าดูการเดินกำลังรับประทานอาหารก็ให้มันดูเฝ้าดูอย่าให้มันไปที่อื่นอันนี้เรียกว่าเป็นการสร้างสติขึ้นมาดึงจิตให้มันอยู่กับที่ไม่ให้มันไหลไปตามกระแสของอารมณ์ของความคิดต่างๆถ้าเราดึงมันไว้อยู่กับที่ต่อไปอารมณ์หรือความคิดมันก็จะสงบ สงบแล้วใจเราก็จะนิ่งจะสบายมีความสุขโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรสิ่งต่างๆที่เราทําที่เราคิดว่าเป็นความสุขนี่มันสู้ความสุขที่ได้จากการไม่ทำอะไรไม่ได้ถ้าอ ย, อยู่เฉยๆแล้วใจนิ่งเนี่ยไม่มีอะไรจะมีสุขเท่ากับความสงบของใจนัตติสันติพลังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มี พยายามหยุดมันให้ได้หยุดขั้นแรกก็หยุดกายก่อนต้องกายต้องนั่งเฉยๆให้นิ่งๆแล้วก็มาหยุดความคิดหยุดจิตอีกทีนึงถ้ากายยังเดินอยู่นี่มันจะไม่นิ่งเต็มที่มันก็จะทำให้นิ่งแต่มันก็ยังต้องทำงานยังต้องคอยสั่งร่างกายให้เกินไหวอ ย, อยู่ให้ทำอะไรอยู่ ถ้าต้องการให้มันนิ่งแบบไม่ต้องทาอะไรก็ร่างกายต้องนั่งเฉยๆใจจะได้ปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางจะได้เข้าสู่ความสงบได้เต็มที่พยายามทำให้ได้สติได้สติแล้วก็เวลานั่งสมาธิก็จะได้สมาธิจะได้ความสงบได้ความสุขที่ทำให้เราไม่ต้องไปมีอะไรมาให้ความสุขกับเรา เพราะสิ่งที่เราไปหามาให้ความสุขกับเรานอกจากให้ความสุขกับเราแล้วมันยังให้ความทุกข์กับเราด้วยเพราะมันไม่เที่ยงแท้แน่นอ น, ม, นมันดีเกนดีมันก็เปลี่ยนไปหรือมันก็จากเราไปเวลาเปลี่ยนไปมันก็ไม่ดีละเวลาจากเราไปก็ยิ่งไม่ดีงั้นอย่าไปหาอะไรมาให้ความสุขดีกว่าเพราะเท่ากับการไปหาความทุกข์ ความสุขความทุกข์มันมามันเป็นเหมือนเหรียญมันเป็นอยู่เป็นเหรียญอันเดียวกันมีอยู่สองด้านสิ่งต่างๆที่เราได้นี้มานี้เป็นเหมือนเหรียญมีสองด้านมีสุขและมีทุกข์สุขตอนที่มันดีพอมันไม่ดีพอมันเสื่อมพอมันเสียไปก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแทุกอย่างมันต้องเสื่อมมันต้องเสียมันต้องหมด ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มันจะเป็นเหมือนเดิมเที่งแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆและส่วนใหญ่จะเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีคือเสื่อมมีลาบจเจริญลาบแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมลาบมียศเจริญยศแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมยศมีอะไรรับมีอะไรจะเจริญแล้วมันต้องเสืม่มไม่มีอะไรที่จ ะ, จะเจริญไปได้เรื่อยๆอย่างเดียว อย่าไปมีอะไรในโลกนี้สิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นความทุกข์ซ่อนอยู่ซ่อนอยู่ภายใต้ความสุข<ม>เหมือนเบ็ดที่ซ่อนอยู่ใต้เหยื่ อ, อถ้าเราไม่ไปตะคุบเหยื่อเราก็ไม่ถูกเบ็ดปลาที่ฉลาดมันเห็นเหยื่อมันเห็นเบ็ดด้วยปลาที่โง่มันเห็นแต่เหยื่อแต่ไม่เห็นเบ็ดมันก็เลยไปฮุบเหยื่อ หอฮุบเหยื่อเข้าก็ถูกตะขอแบดเกี่ยวปากคนเจลาจะเห็นความทุกข์ในราบยศสรรเสริญเพราะเห็นว่ามันต้องเสื่อมก็ไม่ไปหุบไม่เอามันดีกว่ายามอยู่แบบไม่มีราบยศสรรเสริญดีกว่าจะอยู่แบบแบบไม่มีราบยศสรรเสริญได้ก็ต้องอยู่กับความสงบต้องทำใจให้สงบให้ได้ ถ้าใจไม่สง บ, บเดี๋ยวใจมันก็จะดิ้นไปหาลาบยศสรรเสริญไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายวิธีที่จะทําให้ใจไม่ดิ้นไปหาก็คือใช้สติหยุดมันพุโทโธพุโทโธไปถ้ามันจะไปคิดถึงลาบยศสรรเสริญคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสก็หยุดมันเสียอย่าปล่อยมันคิดถ้ายิงคิดแล้วเดี๋ยวความอยากจะไหลมา พอเกิดความอยากแล้วมันจะทรมานมันจะทนยุบทนอยู่เฉยๆไม่ได้ในที่สุดมันก็ต้องแสวหาราบยศสรรเสริญพอได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียใจเวลามันเสื่อมเวลามันหมดความสุขทางตาหูจมูกจิตใจนี่มันเหมือนควันไฟสุขเดียวๆอยากไปเที่ยวโอ้ไปเที่ยวกันสนุกเฮฮาพอกลับมาบ้านมันหายไปหมดแล้ว เดี๋ยได้ความอ้างว้างปาเปล่าเปลี่ยวแล้วเดี๋ยวก็ต้องออกไปใหม่พออยู่กับความว่างอ้างว้างปาเปล่าเปลี่ยวไม่ได้ต้องไปมีรูปเสียงกลิ่นรสมาให้จิตได้เสพเสพก็ใดก็ไม่อิ่มไม่พอเสพมากๆก็เบื่ออีกเบื่อก็ต้องหาแบบอื่นหารูปเสียงอย่างอื่นไปก็ต้องดิ้นไปเรื่อยๆ ไม่ใช่ทางที่นาไปสู่ความสุขที่แท้จริงทางที่นาไปสู่ความสุขที่แท้จริงคือความสงบคือการเจริญสติเพื่อให้จิตเข้าสู่ความสงบถ้าจิตเข้าสู่ความสงบแล้วไม่มีอะไรจะดีเท่ากับความสุขแบบนี้แล้วถ้าเราได้แล้วเราจะได้มันไปเรื่อยแล้วเราก็สามารถมีความสุขแบบนี้ใน ทุกวานละไม่ว่าเราจะแก่จะเจ็บหรือจะตายเราก็ายังสามารถมีความสุขแบบนี้ได้เพราะความสุขแบบนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องอาศัยร่างกายไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายอาศัยสติอาศัยปัญญามีสติมีปัญญาแล้วเราจะมีความสุขมีความสงบไปตลอด จิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระอาจ า, ทานทสตถาบริษณ์ท่านมีแค่สองอย่างนี่ท่านมีสติมีปัญญาท่านหยุดจิตได้ท่านหยุดตัณหาความอยากได้หยุดได้แล้วก็ไม่มีอะไรจะมาก่อกวนจิตใจให้วุ่นวายใจเรานี้วุ่นวายก็เพราะตัณหาความอยากนี้พออยากอะไรขึ้นมาแล้วนี่อยู่อยู่ไม่เป็นสุข ต้องไปทําตามความอยากต้องไปหาสิ่งที่อยากได้ได้มาแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็อยากได้อย่างอื่นต่อความสุขที่ได้หายไปเดี๋ยวก็อยากได้อย่างนู้นอย่างนี้ใหม่อยากไปเท่าไหร่มันก็ได้ความสุขมาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็หมดไปเวลาไม่ได้ก็ทุกข์ในเวลาสูญเสียสิ่งที่ได้มาไปก็ทุกข์ แต่ความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันไม่จากเราเราสามารถรักษาให้อยู่กับเราไปได้ตลอดไม่มีร่างกายเราก็ยังมีความสุขแบบนี้ได้ความสุขทางร่างกายถ้าเกิดร่างกายแก่หรือเจ็บหรือตายก็ไม่สามารถหาได้ต่อให้เป็นพระราชามาหากษัตย์เป็นปรธานาธิบดีเป็นมาหาเศรษฐีพอร่างกายแก่แล้วก็หมด หมดปัญญาที่จะหาความสุขมีแต่ความทุกข์รุมเล้ามีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมีเงินมีทองมีอะไรก็ไม่สามารถที่จะมากาจัดมันได้อันดัที่สุดก็ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปหามาได้มากน้อยเพียงไรหามาแทบเป็นแทบตายเวลาตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้เลย เอาไปได้แต่ความอยากความอยากก็พาให้ไปเกิดใหม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่แต่ผู้ที่มีสติมีปัญญานี้จะทำให้จิตสงบจะทำให้ความอยากหมดไปจากใจเวลาไปก็ไปกับความสงบไปกับความว่างไม่มีความอยาก ไม่มีการต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปทางนี้แหละทางอนประเสริฐทางของพระอริยะเจ้าทั้งหลายคือทางแห่งมรรคผลผนิพพานจะมีอะไรเหรออยากจะพูดอะไรเหรอ พยายามฝึกสติให้มากๆต้องเปรีกวิเวกต้องอยู่คนเดียวถึ่อย่ฝึกสติได้ดีเพราะไม่มีอะไรมารบกวนถ้าอยู่กับคนนั้นคนนี้อยู่เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องต่างๆมันก็จะมารบกวนการการฝึกสติของเราเพราะมีเรื่องก็ต้องคิดกับเรื่องมีคนก็ต้องคิดกับคนคิดแล้วมันก็ไม่สงบ ถ้าอยู่คนเดียวมันไม่มีเรื่องให้คิดไม่มีคนให้คิดด้วยเราก็หยุดคิดได้ให้รู้เฉยๆได้เพราะเราไม่ต้องทาอะไรมากทาแต่ภารกิจที่ไม่ต้องใช้ความคิดรับประทานอาหารก็ไม่ต้องใช้ความคิดอาบน้ำอาบท่ากวาดบ้านถู บ, บ้านนี่มันก็ไม่ต้องใช้ความคิดมากเดินจงกรมนั่งสมาธิ่ลึกสติไป สติมีกําลังมากทลายจิตก็จะสงบมากขึ้นไปเท่านั้นจะสงบได้นานขึ้นยาวขึ้น <c oughs> แล้วพอมีสติมีปัญญามีสติขั้นต่อไปก็ฝึกปัญญาเวลาที่เราควบคุมความคิดได้แล้วหยุดความคิดได้แล้วชานาญในเรื่องการหยุดความคิดได้เราก็สอนใจให้คิดไปในทางที่จะทําให้เรา ไม่โลภไม่อยากได้อะไรสอนให้เห็นว่าสิ่งที่เราสิ่งที่คนในโลกนี้เขาโลภเขาอยากได้กันเนี่มันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นทุกู์เพราะว่ามันไม่ถาวรเวลามันมีก็ดีแต่เวลามันหมดเนี่ยมันทุกข์เงินทองหมดนี่ทุกข์ไหมคนที่ล้มละลายสิ้นเนื้อประดาตัวนี่บางคนถึงกับต้องฆ่าตัวตาย เพราะมันทุกมากมัน ม, มีปัญญาที่จะหาความสุขที่เคยหาได้เพราะเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องเงินทองมันหมดเมื่อก่อนเขาใช้เงินทองซื้อความสุขกันเวลาอยากจะได้อะไรก็ซื้อมาซื้อมาแล้วก็มีความสุขจากสิ่งที่เราได้ซื้ออยากจะไปเที่ยวก็ซื้อมาก็ไปเที่ยวอยากจะดูอยากจะฟังอะไรก็ใช้เงินซื้อกันก็ อาศัยเงินทองเป็นเครื่องมือซื้อความสุขต่างๆแต่พอวันดีคืนดีเงินทองหมดไม่มีเงินทองจะซื้ออะไรเลยไม่รู้จะหาความสุขจากอะไรอยู่กับความทุกข์อยู่กับความไม่มีอะไรแต่ถ้าเคยเคยไปวัดเคยฟังเทศน์ฟังธรรมเคยหัดนั่งสมาธิเคยฝึกสติถ้าไม่มีเงินทองก็ยังมีวิธีหาความสุขได้ ก็มากลับมาอยู่วัดถ้าไม่มีเงินทองไปเที่ยวก็ไปอยู่วัดอยู่วัดแล้วก็ไปควบคุมใจเจริญสติหยุดความคิดหยุดความอยากให้ได้หยุดได้แล้วใจก็จะสุขขึ้นมาอันนี้ไม่ต้องใช้เงินทองความสุขแบบนี้ไม่ต้องใช้เงินทองไม่ไม่ต้องใช้ตําแหน่งไม่ต้องใช้อะ ตาหูจมูกเลื่นกาย <S <S <ừ. S 1> เวลาความสุขแบบนี้เราหลับตากันหลับหูหลับตาไม่ต้องใช้ตาหูจมูกลื่นกายใช้สติใช้สติใช้ให้มันอยู่กับคำใดคำหนึ่งเช่นพุทโธเลยกรรมพุทโธพุทโธไปหรือจะให้เฝ้าดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ถ้าใจเราอยู่กับเรื่องเดียวมันก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ ถ้ามันไม่ไปคิดเดี๋ยวมันก็สงบแต่ตอนต้นมันจะชักไปเยอะกันให้มาอยู่กับพูดโทรได้สองคำเดี๋ยวมันก็ไปละไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ลนะพอรู้สึกตัวก็ต้องดึงกลับมาดึงกลับมาพูดโธพูดโธใหม่หรือดูลมหายใจก็แบบเดียวกันดูลมเข้าลมออกได้สักไม่กี่ไม่กี่รอบไปละไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ละก็ดึงกลับมาใหม่ดึงกลับมาดูลมใหม่ ให้มันอยู่กับลมถ้ามันอยู่กับเรื่องเดียวได้ไม่ไม่นานห้านาทีจิตนั้นก็รวมได้เข้าสู่การสงบได้แต่ห้านห้านาทีที่ไม่คิดนี่มันมันมันยากยิ่งกว่าปีนภูเขาเนะีนย<ม>นั่งเฉยๆให้มันอยู่กับเรื่องเดียวเพียห้านาทีนี่ถ้าอยู่ได้เนี่ยเดี๋ยวมันก็สงบมใช่ที่มันอยู่ไม่ได้ก็กราำลังสติมันน้อยต้องฝึกมากๆ อย่ามาฝึกเฉพาะตอนที่นั่งไม่พอต้องฝึกก่อนมานั่งก่อนมานั่งนี่เราก็ฝึกสติได้ตลอดเวลาถ้าเราอยู่คนเดียวยิ่งง่ายยิ่งมีเวลามากไม่มีอะไรมาลบกวนกันการฝึกสติของเราแต่ถ้าต้องไปเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นนมันก็ฝึกสติไม่ได้มันต้องคิดล่ะคิดถึงนั่นคิดถึงนี่คุยกันไปคุยกันมาคิดกันไปคิดกันมา ยิ่งคิดก็ยิ่งฟุ้งเหมือนน้าที่เราไปกวนใะ่ไหมน้ายิ่งไปกวนน้ำก็ยิ่งขุ่นใหญ่ถ้าเราไม่ไปกวนน้ำปล่อยน้ามันนิ่งเฉยเฉยเดี๋ยวตะกอนมันก็ตกลงไปน้าก็จะใสจิตถ้าเราไม่คิดเดี๋ยวกิเลสก็จะตกตะกอนความโูปความอยากก็จะตกตะกอนความคิดต่างๆก็จะตกตะกอนน้ำก็จะนิ่งใสสงบมีความสุข จิตก็จะนิ่งใสสงบในความสุขต้องพยายามฝึกสติให้มากๆกุญแจสําคัญของการปฏิบัติของการทําใจให้สงบให้มีความสุขคือสติเหมือนกับกุญแจของรถยนต์รถยนต์นี้ถ้าไม่มีกุญแจนี่ไปไหนไม่ได้ต่อให้เป็นรถวิเศษขนาดไหนแต่ถ้าไม่มีกุญแจราคาไม่กี่ร้อยนี่ก็ไม่สามารถขับให้มันไปไหนมาไหนได้ กุญแจนี่ของของถูกๆแต่มีความสำคัญกว่ารถที่มีราคาแพงๆนะสตินี่เป็นธรรที่ไม่มีคุณค่าอะไรมากค่ากิเลสไม่ได้ทําให้หลุดพ้นไม่ได้แต่ถ้าไม่มีสติก็ไม่สามารถที่จะมีสมาธิมีปัญญาขึ้นมาได้ไม่สามารถหลุดพ้นได้ ตัวสติเองไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้หลุดพ้นตัวสตินี้เป็นตัวที่จะสร้างเครื่องมือที่จะทำให้หลุดพ้นคือปัญญาขึ้นมาโดยการทำใจให้สงบก่อนใจสงบแล้วแล้วก็เจริญปัญญาก็จะเป็นเป็นปัญญาชนิดที่ฆ่ากิเลสได้ชนิดที่ทำให้จิตหลุดพ้นได้คือเป็นภาวนามายปัญญา ภาวนาก็คือสมถะภาวนาปัญญาก็คือการเห็นทุกข์ว่าเกิดจากตัรหาความอยากการเห็นว่าสิ่งที่อยากได้นั้นมันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่ามันเป็นไม่ใช่เป็นของเราเราควบคุมบังคับมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้สั่งให้มันเที่ยงไม่ได้สั่งให้มันให้ความสุขกับเราเป็นเพียงอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยววันดีคืนดีมันก็เปลี่ยนจากสุขกลายเป็นทุกข์ไป นี่คือปัญญาถ้าเห็นด้วยปัญญาแล้วมีกำลังของสมาธิมาสนับสนุนก็สามารถหยุดความอยากต่างๆได้ันจึงต้องมีสมาธิก่อนแล้วค่อยไปสร้างปัญญาขึ้นมาพรามีสมาธิมีปัญญาพอเห็นว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของความของความวุ่นวายใจต่างๆ ก็หยุดปัญเสียพอหยุดความอยากได้ใจ ก, ก็สงบใจ ก, ก็มีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรความอยากนี่มันหลอกให้เราไปคิดว่ามีแล้วจะมีความสุขแต่ปัญญาจะสอนว่ามีแล้วจะทุกข์พอมีแล้วเดี๋ยวก็ต้องสูญเสียเดี๋ยวต้องมีการพัดภาคจากกันเวลาจากกันนี้มันไม่มีใคร มีแต่ร้องผมร้องไห้กันอันนี้ต้องใช้ปัญญาสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีการจากกันจากเร็วจากช้าบางอย่างจากเร็วเนี่ยอย่างรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยไปดูมาปั๊บหมดไปละหายไปละความสุขที่ได้ก็หายไปพร้อมกันเหลืออยู่แต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเหลือแต่ความอยากอยากจะเซไอีก พอไม่ได้เสพก็ทุกข์ขึ้นมานี่คือปัญญาต้องเห็นเห็นว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสุขนะั้นมันเป็นทุกข์เพื่อเราจะได้ไม่อยากได้มันไม่มีใครอยากได้ความทุกข์กันแต่ไม่รู้ว่มเป็นความทุกข์ไปคิดว่ามันเป็นความสุขพอได้มาแล้วถึงจะมารู้ทีหลังว่ามันทุกข์ทุกข์แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าใจก็ยัง อย่างเสียดายถึง แ, แม้ว่ามันจะทุกข์แต่เดี๋ยวมันก็พลิกกลับมาเป็นสุขได้มันก็สุกสุขทุกข์กทุกสลับกันไปจนกว่าจะเจอทุกข์แบบทนไม่ไหวทนไม่ไหวก็ต้องสลับทิ้งไปสลับทิ้งไปแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นม <Yeah. S 1> าอีกก็อยู่เฉยเฉยไม่ได้อยู่แบบไม่มีอะไรไม่ได้ต้องมีอะไรมาให้ความสุข แต่ถ้าเรามีสมาธิมีความสงบแล้วเราอยู่เฉยๆได้ไม่มีอะไรเรามีความสุขได้พอมีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าได้มาแล้วจะทุกข์ไม่ได้ได้แล้วไม่ใช่จะได้แต่ความสุขเพียงอย่างเดียวมันมีความทุกข์ติดมาด้วยเหมือนเบ็ดที่ติดอยู่ปลายเหมือนเบ็ดที่ติดอยู่กับเหยื่อนะได้หุกเหยื่อแล้วเดี๋ยวก็ได้เบ็ดด้วย ได้อะไรมาก็เหมือนได้เหยื่อได้ลาบยศสรรเสริญก็เหมือนได้เหยื่อพอได้มาแล้วพอเหยื่อพอมันหมดไปก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอันนปัญญาปัญญาเท่านั้นแต่ยทําทให้ใจปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้หยุดความอยากได้แต่ปัญญาโดยไม่มีสมาธิก็ไม่มีกําลังยิงต้องมีสมาธิก่อน ถ้ามีสมาธิแล้วอยู่เฉยๆได้อยู่แบบไม่มีอะไรได้พอเกิดความอยากจะไป ม, มีอะไรปัญญาก็สอนว่าไม่อยากไปมีดีกว่าอยู่แบบนี้ดีกว่าอยู่แบบไม่มีดีกว่าเช่นมาอยู่วัดแล้วถ้าอยากจะกลับบ้านก็ใช้ปัญญาสอนว่าอย่ากลับเลยกลับไปแล้วทุกข์อยู่ที่า้คนเดียวสบายกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าที่มันอยู่ไม่ได้ก็เพราะว่ามันไม่สงบ มันก็เลยต้องกลับไปบ้านกลับไปหาความทุกขโดยที่คิดว่าเป็นความสุขสุขใหม่ๆเวลากลับไปบ้านใหม่ๆก็สุขเดี๋ยวส่ขเนี้ยสักพักเดี๋ยวก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาก็เบื่อไม่อยากจะอยู่บ้านอีกแล้วไปอยู่วัดอยากจะกลับวัดอีกแล้วพอกลับวัดก็กลับมาได้ไม่กี่วันก็เบื่ออีกแล้วเพราะจิตมันไม่สงบก็อยากจะกลับไปอีกแล้กลับไปกลับมาอย่างนี้ ถ้าตามมาอยู่วัดแล้วทำจิตให้สงบได้แนละ้วมันไม่กลับละมันไม่ไปแล้ะอยู่กับความสงบนี้ดีที่สุดเป็นความสุขที่เลิศที่สุดที่ประเสริฐที่สุดนี่คือเรื่องของการปฏิบัติในแค่นี้แหละสติฝึกสติให้มากๆเพื่อให้ได้สมาธิพอได้สมาธิแล้วจะมีความสุขจะอยู่เฉยๆได้จะอยู่โดยไม่ต้องมีอะไรก็ได้ พอใจหลงไปอยากได้นู่นนี่ก็ใช้ปัญญาสอนว่าได้มาแล้วเดี๋ยวก็ทุกข์เป็นความสุขชั่วคราวออย่าเอาดีกว่าอยู่กับความว่างดีกว่าอยู่กับอยู่กับสมาธิดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าทุกครั้งที่มาวัดจะถูกลองใจลองใจไหมลองใจลองใจว่ากิจกรรมน้องกิจกรรมนี้ที่เราเคยประสานไว้ อืมช่วงสิบวันนี้มีห้ากิจกรรมแล้วที่จะต้องตัดออกแตาเราตายไปกิจกรรมเหล่านี้เขาก็เขา ก, เขาก็อยู่ก็อยู่ก็ได้ ไ, ดไม่มีเขาก็ไม่มีกิจกรรมไม่มีกิจกรรมเขาก็หา ก, กิจกรรมอย่างอื่นหาคนอื่นมาแทนแล้วได้ความอยากมันก็ต้องดิ้นไปเหมือนน้ะน้ํามันมีร่องที่ไหนมีรูที่ไหนมันก็จะไหลของมันไป มาทางนี้ไม่ได้มันก็ไปอีกทางเร น, นเราไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของคนอื่นกังวลเรื่องของเราดีกว่าเราทำเงใ ห, ให้เราไม่ทุกข์ดีกว่าเอา น, นี้เรายังทุกข์อยู่เพราะเรายังหยุดความอยากของเราไม่ได้เพราะเราขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาถ้ามีสติก็ยังมีสมาธิพอมีสมาธิแล้วเราก็ต้องสร้างปัญญาขึ้นมา เพราะสมาธิมันไม่เป็นตัวผลิตปัญญาบางคนคิดว่ามีสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติมันไม่เกิดนะปัญญามันเกิดจากการวิเคราะห์จากการสังเกตดูสิ่งต่างๆว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันสุขหรือมันทุกข์กันแน่มันเป็นของเราหรือเปล่าเราควบคุมบังคับมันได้หรือเปล่าสั่งมันได้หรือเปล่า นี่ละนี่คือปัญญาถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่าเราควบคุมบังคับให้มันสุขไปตลอดเวลาไม่ได้เพราะมันต้องเปลี่ยนมันต้องหมดและห้ามมันไม่ได้มันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาแต่นั่งสมาธิแล้วจิตนิ่งสงบเฉยๆนี่จะไปให้ปัญญาเกิดไม่เกิดหรอกเพราะการทำสมาธิไม่ได้เป็นการทำปัญญา การทำสมาธิก็ทำให้จิตสงบให้มีความสุขเท่านั้นเองแต่เป็นความสุขที่ยังไม่ถาวรเพราะว่ากิเลสตัณหาความอยากมันยังไม่ตายด้วยกำลังของสมาธิสมาธิเพียงกดมันไว้เหมือนหินทัพยญ้าเวลาหินไปทัพยญ้าหญ้ามันก็ไม่งอกขึ้นมาเหมือนมันตายพอเอาหินออกไปเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาได้เพราะรากมันยังอยู่ แล้วพอมันได้รับน้ำรับดินรับแดดรับฝนมันเดี๋ยวมันก็งอกงามขึ้นมาใหม่กิเลสก็เหมือนกันเวลาสงบนี้กิเลสเหมือนตายไปเวลาจิตสงบนี้ไม่มีความอยากเลยสบายมีความสุขพอทอนออมาจากความอยากไปสักพักเดี๋ยวเผลอไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ความอยากไหลออกมานะจ้าให้มันตายต้องใช้ปัญญา ไปอยากกับเขาทําไมอยากกับคนนั้นคนนี้ทําไมเดี๋ยวเขาก็ตายแะ้วไปอยากให้เขาความให้ความสุขกับเราไปอยู่กับเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนไปอบางวันเขาก็ดีบางวันเขาก็ไม่ดีพอเขาไม่ดีขึ้นมาก็ทําให้เราทุกข์นะหรือไม่ไม่ใช่นั้นเขาก็จากเราไปเลยตายไปเลยหรือทิ้งเราไปเลยเราก็จะทุกข์อีก อันนี้ต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์สิ่งที่เราอยากได้ว่ามันไม่เที่ยงมันจะกลายเป็นความทุกข์ตอนที่มันเที่ยงมันก็ตอนที่ได้มาใหม่ๆมันสุขพอใช้ไปใช้ไปสักพักเดี๋ยวมันเสียแล้วเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆเวลาได้มาใหม่ๆนี่ใช้ดีพอใช้ไปเรื่อยเรื่อยเริ่มเสียแล้วอันนั้นพอเสียก็ใช้ไม่ได้ก็ทำให้ปวดหัว ต้องไปซ่อมหรือต้องไปเปลี่ยนใหม่ไม่มีอะไรที่จะเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกที่เราได้มันมาเราจะเหมือนไปทุกวันมันจะค่อยๆเสื่อมไปที่เราเล็กเทียน้อยบางครั้งก็เสื่อมแบบรวดเร็วหายไปเลยซื้อของมาไม่กี่วันถูกขโมยไป <c oughs> ต้องมองว่ามันเสื่อมทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเสื่อมพอเสื่อมมันก็จะทำให้ความสุขหายไป พอความสุขหายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ต้องใช้ปัญญาคิดอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามีปัญญาถ้าไม่พิจารณาความเสื่อมจะไม่เห็นจ ะ, จะไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์กันพอเรามักจะไม่ชอบคิดถึงความเสื่อมคิดว่าจะต้องอยู่กับเราดีกับเราไปตลอดแต่มันเสื่อมช้าๆ ง, อ ย, างอย่างคนแล้วนี่มันก่อนจะแก่ มันใช้เวลาต้องสี่ห้าสิบปีเวลาแต่งงานกันก็รู้สึกว่าไม่มีวันแก่อยู่กันไปอยู่กันไปออ่เดี๋ยวพอสี่ห้าสิบปีเข้ามามามาโผล่มามาโผล่ตอนนี้มาเห็นตอนนี้มาเห็นตอนนี้ก็สายไปเสียแล้วเราต้องดูคนอื่นเป็นเป็นตุ๊กตาเป็น คนอื่นนะคนที่เขาแก่ต่อไปแล้วก็ต้องแก่แฟนของเราก็ต้องแก่แบบนี้ัอยากจะได้คนแก่มาเป็นแฟนะถ้าไม่อยากได้ก็อย่าไปมีอยู่คนเดียวดีกว่าปัญญามันเกิดจากสมาธิปัญญามันเกิดจากการวิเคราะห์พิจารณาสังเกตสังถึงวถึงจะเกิดปัญญา ต้องเป็นปัญญาที่เกี่ยวกับใจรักอันนิ้จังทุกขงาาังอนัตตาถึงจะเป็นปัญญาแท้ถ้าเป็นปัญญาอย่างอื่นปัญญาทางโลกนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นประโยชน์เช่นนักวิทยาศาสตร์ก็ ว, วิเคราะห์ว่าทำไมผลไม้เวลามันหลุดจากขั้วมันจึงตกลงมาทไมันไม่ลอยขึ้นไปเขาก็ ว, วิเคราะห์ว่ามันมีแรงดึงดูดของโลกดึงมันลงมาก็เลย ไ, ได้พบ ความรู้ใหม่รู้ว่าโลกนี้มีแรงดึงดูดทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนโลกนี้มันไม่ลอยขึ้นไป<ม>ถ้าอยากจะลอยก็ต้องหาแรงดึงดูดที่มันมีแรงมากกว่าแรงดึงดูดของโลกให้มันให้มันดูดขึ้นไป<ม>เขาก็เลยสร้างจรวดกันขึ้นมาสร้างจรวดมันก็มีแรงที่จะดันให้ของที่ถูกโลกดึงดูดไว้ให้มันลอยขึ้นไปได้ นี่ก็ขวามรู้ที่เขาได้จากการวิเคราะห์แต่เป็นปัญญาทางโลกมันไม่ได้เป็นปัญญาที่จะมาดับความอยากดับความทุกข์แต่เป็นปัญญาที่จะไปสร้างความอยากให้มีมากขึ้นแล้วก็เอาปัญญานี้มาฆ่ากันมาทำลายกันสร้างจรวดได้ก็คิดอย่างนี้ก็ติดลูกระเบิดที่ปายที่จรวดด้วยดี เวลาจะไปทําร้ายบ้านใครไม่ต้องไปเองส่งตำรวจไปก็ไปกลายเป็นกิเลสไปกลายเป็นการไปทําบาปปัญญาทางโลกนี้มักจะกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสไปเพราะว่าต้องการกิเลสต้องการให้เราปลอดภัยให้เรารวยให้เรามีความสุขชาวบ้านคนอื่นจะทิพายมันเรื่องของเขาแต่เราต้องสุข ถ้าเราต้องการอะไรของเขาเขาไม่ให้เราเราก็ใช้ลูกระเบิดไปขู่เขาใช้กําลังไปขู่เขาใช้อาวุธไปขู่เขาเห็นไหมสหมัยก่อนพวกฝรั่งเขามีอาวุธดีกว่าพวกคนทางเอเชียแอฟริกาฝรั่งก็เอาอวุธเอาปืนไปแค่นี้ก็สามารถที่จะไปยึดประเทศเขาได้นะต้องการอะไรของเขาก็ใช้ปืนไปบังคับยึดนี่ก็เป็นปัญญาทางโลก ผลิตอาวุธต่างๆขึ้นมาเพื่อใช้ในการล่าแผ่นดินล่าประเทศล่านานิคมแล้เดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นปัญหาตามมาทีหลังเอาคนของคนอื่นไปอยู่บ้านเขาเดี๋ยวต่อไปเขาก็มีการต่อต้านกันมีการเกลียดกันมีการอะไรกันอย่างนี้อยู่กันอย่างมีความสุขไหม มีแต่ความโกรธเกลียดกันแบ่งแยกกันเพราะเอาคนต่างต่างที่มาอยู่ร่วมกันเพราะเอาเอาเขามาใช้เป็นทาสเอาเขามาใช้เป็นคนรับใช้แล้วเขาก็มาออกลูกออกหลานในบ้านเขาแต่เขากอนเรามีความคิดไม่เหมือนกันมีความเป็นมาไม่เหมือนกันมีรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันมันก็เลยอยู่ร่วมกันไม่ได้ ความรู้ทางโลกปัญญาทางโลกเนี่ยก็นาไปสู่ความวุ่นวายความทุกข์กันแต่มันก็เป็นปัญญาเหมือนกันมันเกิดจากความวิเคราะห์คิดมนุษย์เราคิดสรรห า, ส ร, าสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาด้วยด้วยความคิดใช่ไหมอยากจะอยากจะข้ามกันแบบวิธีง่ายๆเมื่อก่อนก็ทำหอกทาอะไรพุ่งใส่กันที่มันพุ่งไม่ไกลก็เลยหาวิธีอื่นก็เลย สร้างปืนขึ้นมาปขึ้นมาก็ไม่ต้องใช้แรงมากใช้นิ้วลั่นกายมันก็สมขอลูกเล็กๆไปได้ไกลอันนี้ก็เป็นปัญญาแต่เป็นปัญญาทางโลกปัญญาที่จะสร้างความทุกข์ให้แก่กันและกันแต่ปัญญาทางธรรมนี้จะจะดับความทุกข์และจะไม่ไปสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่น พอเราไม่มีความอยากแล้วเราไม่ไปเราจะไม่ไปเป็นปัญหากับใครแถ้าเราพอมีความอยากแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเป็นปัญหากับคนอื่นอยากจะได้แฟนเดี๋ยวก็ต้องไปแย่งกันนะคนนี้เขาก็อยากจะได้คนเราก็อยากจะได้คนนี้เดี๋ยวก็ต้องมาโกรธกันเกลียดกันนะแต่ถ้าเราไม่อยากได้แฟนก็เราก็ไม่ต้องไปแย่งกับใครมันไปไม่ไปแย่งเราก็จะไม่ไปทำให้ใครเขามาโกรธเราเกลียดเรา ปัญญาทางธรรมนี้จะนำไปสู่ความสงบเพราะเป็นยาทางธรรมนี้จะหยุดความอยากต่างๆถ้าหยุดความอยากได้เงินไมน่ทองอยากรวยเสอย่างมันก็ไม่เป็นปัญหากับใครละอ <Yeah. S 1> ่ชาวบ้านเนี่ยเาม็มีมีมีงคนมาสร้างโรงแรมพอมีคนสร้างโรงแรมชาวบ้านเขาก็ขายขายของขายน้ำขายเครื่องดืม่มให้ให้กับคนงาน ตอนนั้นก็ร้านก็เปิดมาร้านเดียวพอร้านนี้ขายดีคนใกล้ใกล้ก็ขอมาเปิดแข่งกันอีกพอเกิดแข่งกันเมื่อก่อนรักกันสนิทกัน น, นี้ต้องมาแข่งแย่งชิงดีกันในชะ่ไอันนี้ก็เพราะความอยากอยากรวยอยากได้เงินเกิดรักกันก็เลยต้องมาเกลียดกันเพราะกลายเป็นผู้ต้องมาต่อสู้กันแข่งกัน เมื่อก่อนนี้ไม่มีไ ม, มไม่มีลูกค้าไม่มีคนงานก่อสร้างก็ไม่มีไม่รู้จะเปิดร้านไปทำํำไมเปิดก็ขายไม่ได้ก็ไม่ต้องเปิดความอยากจะเปิดร้านก็ไม่มีก็ยังรักษาความเป็นมิตรกันได้อยู่ถ้าพอมีความอยากขึ้นมาแล้วมันจะไปทําลายทุกอย่างหมดเคยรักกันกันยังไงก็จะกลายเป็นโกรธกันเกลียดกันได้ พี่น้องเนี่ยทะเลาะกันเพราะอะไรกับพ่อมารดาดกของพ่อของแม่เนี่ยพอรู้ว่ามีมารดาดกนี่เดี๋ยวต้องแย่งกันละความอยากได้มรดาดกขึ้นมาแต่ถ้าเป็นคนที่มีธรรมะไม่เอาใคาอยากจะได้มารดาดกเอาไปฉันไปบวช ด, ดีกว่าฉันไปหาความสงบดีกว่าหาความสุขที่เกิดจากความสงบดีกว่าไม่ไปแก่งแย่งชิงดีก่าใครอย่างเรานี่ไม่ไปแย่งสมบัตกิกับพี่น้องเรา ยกให้เขาไปใครอยากจะได้อะไรก็ไปไม่มีปัญหากับใครก่อนนี้ไม่มีความอยากนี่จะมีแต่ให้มีอะไรก็มีอะไรก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมเพราะไม่มีความอยากจะได้ไม่มีความอยากจะเก็บอะไรไว้ได้มาก็มีแต่จะให้เขาไปมีแต่ให้ความสุขกับผู้อื่นหรือพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างให้ความสุขกับสัตว์โลก โดยการให้ธรรมะไม่ได้ไปแก่งแย่งชิงดีอะไรกับใครที่ไหนไม่ได้ไปแย่งสมบัติของใครไม่ได้ไปแย่งสามีภรรยาของใครไม่ได้ไปแย่งบุตรธิดาของใครไม่ได้ไปแย่งตําแหน่งกันแต่ไม่เปิดหนังสือพิมพ์ดูทุกวันมีเรื่องแย่งตําแหน่งกันเยอะคนนั้นอยากจะได้เป็ น, นู่นคนนี้นอยากจะได้ไอ้นี่ แล้วก็มาทะเลาะกันมาโกรธกันเกลียดกันเขาเคยเล่ามีคนเล่าให้นิทานให้ฟังว่าหมาสองตัวเล็กๆเนี่ยมันเล่นกันพอเราโยนกระโดกไปชิ้นหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันกัดกันละกิเลสเกิดขึ้นแล้ความอยากได้กระดูกถ้าจะให้มันต้องให้มันสองชิ้นมันจะได้ไม่กัดกันถ้าให้มันชิ้นเดียวเนี่ยมันกัดกันละแล้วเดี๋ยวตัวใหญ่ตัวไหนที่มันใหญ่กว่ามันก็ มันก็เอาไปอไอตัวเล็กมันก็อาคารลอยคอยคอยโอกาสวันไหนมึงมึงมึงเจ็บ่ายได้ป่วยมึงนอนไอก็กุ้งเมื่อไหร่กูก็จะเอามึงมั่งเรี่อเราถึงมีการจองร่างจองผานจองเวรจองกรรมกันเพราะตัณหาความอยากนี่เองเวลาอยากได้แล้วไม่คานึงถึงความเดือดร้อนของคนอื่น เมื่อเราไม่คานึงในความเดือดร้อนของผู้อื่นไปสร้างความเดือดร้อนให้เขาเขาก็อาฆาตพยาบาทเราพอวันดีขึ้นดีเขามีโอกาสที่จะทำร้ายเร า, เาก็เอาเราทันทีแต่คนที่ไม่มีความอยากนี้จะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนี่แต่จะให้ความสุขกับเข า, เามีของเหลือกินแบ่งกันกรพระนี่ผร้เจ้าไม่ให้เก็บอาหารไว้บิณฑบาตกินมาจานเสร็จเหลือเท่าไหร่ก็แจกไป แจกคนยากคนจนแจกคนในวัดแจกสุนัขแจกอะไรไปมีแต่มิตรเป็นมีแต่การสร้างมิตรภาพการไม่มีความอยากนี้จะจะสร้างมิตรภาพได้ง่ายพอมีความอยากแล้วสร้างไม่ออกมิตรภาพออกมาไม่ถ้าเป็นมิตรภาพก็มิตรภาพแบบหลอกลวงมิตรภาพเพื่อที่จะได้สิ่งเขาสิ่งอะไรตอบแทนกลับมาแต่ไม่ให้แบบให้เปล่ปาเปล่าให้โดยที่ไม่หวังอะไรเป็นสิ่งตอบแทน จงเห็นโทษของความอยากว่ามันทำลายทุกอย่างทำลายใจเราแล้วก็ไปทำลายคนอื่นด้วยทำลายโลกเราเนี่ยทุกวันนี้ที่วุ่นวายที่มีสงครามกันก็เพราะความอยากนี่ถ้าทุกคนไม่มีความอยากอยู่ด้วยปัจจัยสี่นี่มันมีเหลือเฟือแผ<ม>่นดินที่อยู่อาศัยมีเยอะแยะกว้างใหญ่ไพศาลอาหารมีเยอะแยะ แต่ความโลภมันต้องมีมากๆคนหนึงมีที่เป็นร้อยไล่พันไล่มันมีไปทําอะไรเวลาตายถ้าเป็นฝังก็ฝังแค่ไม่กี่เมตรไม่กี่ตารางเมตรเความโลภความอยากมันพระเจ้าบอกไม่มีประมาณมันกว้างใหญ่ไพศาล ย, ยิ่งกว่ามะมามาสมุดทะเลที่มหาสมุดทะเลนี่ใหญ่ขนาดไหนยังมีขอบไม่ฝังะ แต่ความโลภความอยากนี่ไม่มีขอบไม่มีฝั่งได้เท่าไหร่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่พอ mm hmm. ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรตายไปก็ไปไม่ได้อยู่ก็ไม่ได้ใช้มันเพียง mm hmm. แต่รู้ว่าเป็นเป็นของฉันนั้นนน่เอง mm hmm. ตายไปก็ก็กลายเป็นของคนอื่นไปอยู่แล้วกลายเป็นภาระต้องคอยมาดูแลรักษา mm hmm. คอยละ ว, วัต หวาดระแวงว่าใครจะมาแย่งเอาไปใครจะมาทิ้งเอาไปอั<ม>นี่คือปัญญาให้เห็นโทษของความอยากเ <c oughs> พราะไม่เห็นว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงมันเป็นของชั่วคราวสมบัติผัดกันชมเดี๋ยววันดีคืนดีก็กลายเป็นของคนอื่นไปถ้าเห็นว่ามันไม่เที่ยง ไม่ใช่ของเราเราก็จะได้ไม่ไประยากได้มันได้มาแล้วเดี๋ยวต้องคืนเข้าไปเอามาทำไมเป็นเหมือนของยืมเข้ามาถึงเวลามันไม่มีเวลาจะคืนเข้าเข้ามาทวงไม่ยอมคืนนะไม่ยอมก็ต้องคืนเวลาตายต้องคืนหมดเลยเราจึงทุกข์กันเราจึงกลัวความตายกันกลัวความแก่กลัวความเจ็บกัน เพราะเราจะไม่สามารถหาความสุขจากสิ่งที่เราได้มากันแต่ถ้าเรามีความสุขจากความไม่อยากเราจะไม่ต้องมีอะไรเราอยู่เฉยๆก็มีความสุขได้เรามีความสุขไปตลอดแม้ไม่มีร่างกายก็ไม่ไมเดือดร้อนถ้ามีความอยากนี้เวลาไม่มีร่างกายก็ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่ กลับมาเกิดใหม่กลับมาเริ่มต้นหาใหม่หมเกิดเป็นทาลุกก็ต้องมาหัดพูดหัดกินหัดดื่มหัดอะไรหัดเรียนหัดภาษาหัดอะไรหาความรู้แล้วก็ไปหางานหาเงินแล้วเดี๋ยวพอแก่เจ็บตายก็ทิ้งใหม่หมดแล้วเดี๋ยวก็กลับมาใหม่ถ้าตราบใดยังมีความอยากอยู่ความอยากมันจะพาะเรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆ ไม่มีวันสิ้นสุดเราจะไม่กลับมาก็ต่อเมื่อเราหยุดความอยากต่างๆได้จะหยุดความอยากต่างๆได้ก็ต้องมีสติก่อนมีสติพอมีสติแล้วก็จะมีสมาธิพอมีสมาธิแล้วเราก็ไปใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าความอยากพาเราไปสู่ความทุกข์เพราะสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นของชั่วคราว เดี๋ยวเวลาจากกันเวลามันจากเราไปมันจะทำให้เราทุกข์ถ้าไม่ ม, มีมันเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่มีแฟนเราก็จะไม่มีวันจากแฟนแต่ถ้ามีแฟนนะเดี๋ยวต้องมีวันจากกันพอเวลาจากกันก็ทุกข์ในเวลาอยู่ด้วยกันไม่ชอบกันเกลียดกันก็ทุกข์อีก <c oughs> ไม่ใช่ว่าเขาจะรักเราไปทุกวันนะวันนี้คืนนี้เขาก็ กลัมาเกลียดเราก็ได้ในวันดีคืนดีเราก็ไปเกลียดเขาก็ได้เพราะเขาไม่ทําตามใจเราเราก็เลยเกลียดเขาเขาก็เกลียดเราเพราะเราไม่ทําตามใจเขาก็วาความอยาอกเองพาไปสู่ความทุกข์เท่านั้นงั้นมาหยุดความอยากกันดีกว่านะโดยการฝึกสติด้วยการนั่งสมาธิด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยง ไม่ใช่ของเราไปสั่งมันให้เที่ยงไม่ได้สั่งให้มันให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวไม่ได้ถ้ามีปัญญาแล้วก็จะได้ไม่อยากได้อะไรเหมือนเห็นว่าน้ำที่เราจะเดิมนี่เป็นยาพิษเรายะกล้าดืมไี่เราไม่รู้มันเป็นยาพิษดื่มไปแล้วท้องเสียทีหลังเราทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นสุขก็ได้มาแล้วเดี๋ยวมันทำให้เราทุกทีหลัง บานทีได้มาแล้วก็ทุกข์าะต้องดูแลรักษาแล้วสิต้องหวงต้องหวงนะอันนี้ก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาแล้วะต้องใช้ปัญญาต้องคิดวิเคราะห์ถึงจะเห็นมันไม่เกิดจากสมาธิเนี่ยขอให้เราเข้าใจเวลาได้สมาธิแล้วในเวลาออกจากสมาธิเราต้องมาวิเคราะห์ถึงจะเกิดปัญญาขึ้นมาแต่ก่อนจะวิเคราะห์ควรจะฝึกสมาธิให้ชํานาญก่อนให้ชํานาญ สามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาพอเวลาเราวิเคราะห์ได้ปัญญาบางทีมันฟุ้งได้ถ้าฟุ้งแล้วถ้าเราเข้าสมาธิไม่ชำนาญอาจจะกลับเข้าไปไม่ได้มันจะทำให้เราทุกข์เราต้งฟุ้งกับความคิดของเราแต่ถ้าเราพิจารณาทางปัญญาแล้วมันออกนอกรูนอกทองทางไปฟุง้งไปตามกิเลส ข, ขึ้นมาก็หยุดมันซะเข้าไปในสมาธิทาใจให้สงบก่อนสงบแล้วค่อยมาพิจารณาต่อ ถ้าพิจารณาด้วยใจที่ไม่ไม่สงบมันจะเป็นกิเลสมันไม่เป็นปัญญามันจะดับกิเลสไม่ได้มันกลับส่งเสริมกิเลสงั้นก็ขอให้พยายามปฏิบัติกันหาเวลาถ้ามีโอกาสไปอยู่คนเดียวที่ไหนได้ก็ไปเถิดไม่มีอะไรดีเท่ากับความสงบไม่มีอะไรดีเท่ากับความวิเวก อยู่คนเดียวได้สบายถ้าต้องอยู่กับใครเดียวก็ต้องมีปัญหากับเขาอย่างใดอย่างหนึ่งอานาคก็พอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พร <Yeah. S 1> ยะถ า, าวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินงังเปตานางังอุปกั ป, ะปะติก อิชิต่างปฏติต่างตุมหังคิปเปเมวะสมิจจตุสัพเเอปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยทาณิโชติระโสยทาสัพพีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีธีขาโยโกภวะ อะพิวาทนาสีริสะนิจังวุธาปจายโนจตรมมารุธรรมวัฏานติอายุวันโอสุขังพาลถ้ามีคำถามก็ลองอเข้ามาได้คำ ถ, ถามจากคุณวันสุข เมื่อรูปขันดับไปนามาขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับไปด้วยไหมคะไม่มีรูปให้สัมผัสจะยังมีอยู่ไหมคะนีมันยังมีรูปทิปเสียงทิปกลิ่นทิปให้สัมผัสอยู่เหมือนเวลาเรานอนหลับเนะี่ยเวลานอนหลับเราไม่ได้ใช้ร่างกายในชะ่ไหมเหมือนร่างกายตายไปชั่วคราวแต่จิตเรายังฝันอยู่สังขาร ย, ยังปรุงแต่งอยู่ปรุงแต่งวิญ ญ, ญาณก็รับรู้ความคิดปรุงแต่ง คิดแต่รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆคิดว่าได้ไปเที่ยวที่นั่นคิดว่าได้ไปพบสิ่งนั้นเหตุนั้นคนนั้นคนนี้สถานที่นั้นสถานนี้ก็เป็นเรื่องของนามขันทํางานพวกเทวดาเขาก็เนี่ยเขาก็อยู่สวรรค์แบบเนี้สวรรค์ก็คือจิตมันคิดแต่เรื่องที่ดีไงปรุงแต่งแต่เรื่องที่ดีเรื่องแต่ที่มีแต่ความสุขทําบุญ น, นะมันก็จะคิดแต่เรื่องที่ดี ทำบาปมันก็จะคิดแต่เรื่องที่ไม่ดีถ้าฝันร้ายเนี่ยแสดงว่าทำบาปแสดงว่ากำลังอยู่ในอบายเวลานอนหลับฝันร้ายเนี่ยแสดงว่าเรากำลังอยู่ในอบายถ้าฝันดีก็เรากำลังอยู่ในสวรรค์เพราะตอนนี้นเราไม่ได้ใช้ร่างกายนะเห <c oughs> มือนก็ไม่มีร่างกายพอตื่นขึ้นมามันก็กลับเข้ามารับรู้ผ่านทางร่างกาย เนกัสมัยนี้เรามีใช้ไฟฟ้าได้ใช้ไฟได้สองแบบกับเครื่องเครื่องโทรศัพท์ใช่ไหมถ้าแบตหมดเราก็เสียบไฟอมันก็ใช้ไฟฟ้าได้ก็แบบเดียวกันเนี้ยเวลาเราร่างกายนอนหลับก็มันแบตหมดไม่ใช้แบตของทางร่างกายก็เลยใช้แบตทางทางใจไปใจมันก็คิดปรุงแต่งของมันฝันไปเวลาเราตายก็ไปแบบนี้ล่ะ เราก็จะฝันยาวไม่ฝันสั้นเวลามีร่างกายอยู่มันฝันสั้นพอเดียวพอร่างกายตื่นมันก็มันก็จะดึงจิตให้กลับมาเข้ามารับรู้เรื่องของร่างกายแต่ถ้าไม่มีร่างกายมันก็ไม่มีอะไรดึงมันกลับมามันก็จะฝันยาวไปฝันไปตามบุญตามบาปที่มันทำไว้จนก่าจะได้ร่างกายอันใหม่พอร่างกายออกมาจากท้องแม่มันก็จะตื่นขึ้นมาใหม่ ตือนแบบได้ร่างกายอันใหม่เพราะตอนนี้อยู่ในยังอยู่ในท้องก็ยังนอนอยู่ยังหลับอยู่พอออกมาจากท้องแม่ปับเตือนนะร้องไห้นะเริ่มรับรู้ลู ก, ลกเสียงกลิ่นรสผ่านทางร่างกายนะเหมือนเปลี่ยนเปลี่ยนจากแบตเปลี่ยนจากไฟฟ้ามาใช้แบตละหลับมันมีแบตสองอันใช้แบตเยอแบตหมดก็ใช้ไฟฟ้าเวลาร่างกายหมดก็เหมือนแบตหมด่ย ร่างกายหมดร่างกายตายหรือร่างกายหน้อยก็ไปใช้ไฟฟ้าแทนก็ใช้ใช้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยที่ไม่ต้องใช้ผ่านทางร่างกายอาศัยบุญอาศัยบาปเป็นตัวที่จะให้จิตมันปรุงแต่งไปในทางไหนทำบุญมันก็จะปรุงแต่งไปในทางที่ดีคิดแต่ในเรื่องดีคิดแต่เรื่องที่มีความสุข พอทำบาปมันก็คิดไปในเรื่องที่ไม่ดีคิดแล้วมีแต่ความทุกข์ันนี่เวลาที่ร่างกายตายก็แสดงว่าแบตหมดแล้วตอนนั้นต้องชาร์จแบตชาร์จแบตจนพอได้ร่างกายใหม่มันก็หยุดชาร์จได้ร่างกายใหม่เกิดใหม่แล้วกลับมามาเหมือนเดิมมาเสพลูกเสียงกลิ่นรสผ่านทางร่างกายแทน พอไม่มีร่างกายก็ใช้เศษทางทางใจโดยตงรงเศษทางนามขันเศษด้วยเวเศษด้วยสัญญาสังขารวิญญาณคําถามจากคุณสิรินาถหนูสงสัยว่าเวลาเรานั่งสมาธิพระอาจารย์เคยสอนว่าเวลาเรานั่งสมาธิไม่ควรภาวนาต้องปล่อยจิตให้เป็นสมาธิก่อนเพราะเหมือนจิตได้พักผ่อนหลังจากจิตเป็นสมาธิแล้วหนูน้อมจิตเข้าการภาวนา คือการยกกองกิเลสที่หนูเจอปัญหาเช่นกามาราคะก็ยกคามาเรื่องอสุภะมาพิจารณาคำถามคือข้อที่หนึ่งคือพิจารณาไปเรื่อยๆใช่ไหมคะหลังจากทาสมาธิแล้วคือต้องทำเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิเวลาอยู่ในสมาธินีไม่ต้องให้ทําอะไรให้ประคองจิตให้นิ่งไปนานๆเหมือนนอนหลับพักผ่อนอย่าไปปลุกคนที่นอนหลับพักผ่อนขึ้นมาทางาน ให้เขานอนให้พอแล้วก็จะตื่นขึ้นมาเองพอเขาลุกขึ้นมาแล้วก็สั่งให้เขาไปทางานบอกให้เขาไปทำงานจิตเวลาเข้าสมาธิเป็นเวลาพักผ่อนหลับนอนเวลาจิตสงบไม่ให้ทำอะไรให้พยายามใช้สติประครับประคองให้มันหลับให้มันสงบไปนา น, น, านยิ่งสงบนานเท่าไหร่ยิ่งมีกำลังมากที่จะเอาไปใช้พิจารณาทำต่างๆได้ ในขณะที่จิตสงบอย่าไปทำอะไรรอให้จิตถอนออกมาก่อนออกจากสมาธิแล้ว ม, มาเริ่มคิดเรื่องนี้นเรื่องนี้ถึงสั่งให้เอาความคิดนี้นมาคิดทางปัญญาคิดอสุภะก็ได้คิดอนิจจังก็ได้คิดอนาัตตาก็ได้คิดทุกขังก็ได้ทุกอย่างมันทุกไปหมดทุกอย่างมันไม่เที่ยงทุกอย่างมันไม่ใช่ของเราแค่นี้จำไม่ได้กันพอเห็นอะไรกลายเป็นสุขไปหมด เที่ยงไปหมดเป็นของเราไปหมด <Yeah. S 2> แค่นี้จำไม่ได้เห็นอะไรก็สวยไปหมดเห็นคนนั้นก็สวยคนนี้ก็หลอ่อ <Yeah. S 2> ไม่เห็นนสุภาษเลย <Yeah. S 2> เพราะไม่คิดไงเ <Yeah. S 2> นี่ยต้องมาคิดตอนที่ออกมาจากสมาธิคิดบ่อยๆ <Yeah. S 2> คิดไปจงกระทั่งมันรู้สึกอยากจะหยุดคิดก็กลับเข้าไปในสมาธิ <Yeah. S 2> คิดแล้วบางทีมันฟุ้งซ่านมันคิดแล้วมันเบื่อมันก็หยุดก่อนก็ได้กลับเข้าไปในสมาธิกหมดกาลัง yeah. พี่คิดให้คิดบ่อยๆเพื่อให้จดให้จําเข้าใจไหมไม่ให้ลืมให้มันฝังอยู่ในใจพอเห็นอะไรเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกทันทีเนเห็นอะไรไม่สวยทันทีไม่ใช่หล่อทันทีเห็นอะไรเห็นกรโครงกระดูกทันทีเห็นมไหมเห็นดาราภาพยนต์เห็นนางงามไหมเห็นโครงกระดูกของดาราภาพยนต์นี่ของนางงามไหมไม่เห็นเพราะไม่เคยคิดไม่เคยฝังอยู่ในใจคิดให้มันฝังอยู่ในใจเหมือนสูตรคูณไหม เห็นสองคูณสองเนี่มันบอกสี่เลยใช่ไหมเห็นสี่คูสี่มันบอกสิบหกเลยมันต้องวัยแบบนั้นไม่ใช่เห็นอะไรต้องมันนึกอ้อยกระดูกอยู่ที่ไหนโครงกระดูกอยู่ที่ไหนกระโหลกศีรษะอยู่ที่ไหนก็เห็นอยู่ทุกวันเนี่ยมีผิวหนังบางๆหุ้มห่อไว้เท่นั้นมองไม่เห็นละมันจะมันไม่เห็นด้วยตาเปล่ามันต้องเห็นด้วยปัญญาต้องเห็นด้วยการคิดการวิเคราะห์อยู่เรื่อยๆนึกถึงมันอยู่เรื่อยๆพยายามคิดจนกระทั่งมัน มันเห็นถึงจะรู้ว่ามีปัญญาถ้ายังถ้ายังไม่เห็นเห็นแต่เฉพาะเวลาที่เราพิจารณานี้ยังไม่พอเวลาที่เราอยู่คนเดียวพิจารณาได้อันนั้นไม่เที่ยงอันนี้เป็นทุกข์อันนั้นเป็นอสุภะแต่พอมาเจอคนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้หายไปหมดเลยไอ้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์อสุภะหายเป็นสุขกลายเป็นสุขกลายเป็นเที่ยงกลายเป็นสวยเป็นงามไปหมดนี่คือปัญญามันยากเพราะมันไม่ใช่ทําแค่คิดครั้งสองครั้งแล้วมันจะจําได้ คิดเป็นปีเลยบางทีต่อสู้กันเป็นปีกว่าบรรดาไม่เผลอไม่ลืมนัง่งหมั่นพยายามคิดอยู่เรื่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆคิดได้ตลอดเวลาเวลาที่ไม่อยู่ในสมาธิเนี่ยคิดได้ตลอดเวลาเห็นอะไรก็คิดไปแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเป็นนสุภะเนี่ยแค่นี้ตอนที่อยู่คนเดียวคิดได้แต่ไม่เป็นประโยชน์เพราะตอนนั้นยังไม่ได้ขึ้นเวที เหมือนโชคกระสอบทรายอยู่เพราะว่าคนนั้นน่าเกลียดน่ากลัวคนนั้นมีตับไตไส้พุงคิดได้หมดแต่พอมาเจอของจริงหายไปหมดเลยข้อที่สองทำยังไงให้การภาวนาเป็นวิปัสนาไม่ใช่วิปัสสนึกเพราะคนที่เขาปฏิบัติเขาถามว่าหนูปฏิบัติยังไงหนูก็บอกไปแล้วหยิบยกไตลักษ์มาพิจารณาเขาบอกหนูทาไม่ถูกเขาบอกว่าเป็นวิปัสสนึก กราบขอคําแนะนําด้วยค่ะก็อย่างที่พูดเนี่ยจะให้มันวิปัสสนาก็ต้องตอนเจอการไงตอนเจอกันก็เห็นเป็นตายักเลยเห็นเป็นอสุภะเลยถ้าอยู่คนเดียวมันยังเป็นวิปัสสนึกอยู่แต่มันต้องนึกก่อนถ้ามันไม่นึกมันจะจําไม่ได้ต้องอาศัยวิปัสสนึกก่อนแล้วพอเจอคนเจอสิ่งของไม่ต้องเห็นว่าเป็นตายรักเห็นเป็นอสุภะทันทีถึงจะเป็นวิปัสสนาขึ้นมาคำถามจากคุณเฉลย เวลาเราแผ่เมตตาและอุทิศบุญหลังจากสวดมนต์ผลบุญนั้นจะไปถึงผู้ที่เราแผ่เมตตาและอุทิศบุญให้หรือเปล่าคะเรามีบุญแผ่หรือเปล่านะนั่งสมาธิเิ่งยังไม่สงบแล้วจะอะไรไปแผ่เอาความฟุ้งซ่านไปแผ่เลยวิธีอยากจะอุทิศบุญง่ายๆก็คือทําบุญนี่แหละบริจาคเงินสักร้อยหนึ่งก็ได้บุญแล้วบุญที่เราทำร้อยหนึ่งแล้วก็แล้วก็อุทิศไปให้คนตายได้แล้ว ส่วนการแผ่เมตตานี้ไม่ต้องใช้บุญแผ่ความแผ่เมตตาก็คือให้เราแผ่ความรักให้กับคนอื่นคำว่าเมตตาก็คือความรักความปถาถนาดีก็ต้องแผ่ตอนที่เจอกันสิไปแผ่ตอนที่ไม่เจอกันนั้นเปนจะแผ่กันได้ยังไงเวลาเจอกันแผ่แต่เคี่ยวแยกเคี่ยวใส่กันเวลาอยู่คนเดียวไว้แผ่เมตตาสัพเพจตตาขอให้เธอมีแต่ความสุขความเจริญอันนี้มันไม่ได้เป็นการแผ่เป็นการสอนเป็นการซ้อม เหมือนการซ้อมชกกระสอบทรายไปก่อนอย่าแยากเคี้ยวใส่กันเวลาเจอหน้ากันให้ยิ้มใส่กันเวลาใครเขาทำให้เราไม่พอใจหมอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้อภัยกันเราแผ่เมตตาแต่เวลาอยู่คนเดียวเวลาสวดนั่นเป็นการสอนวิธีแผ่สัพเพสัตตาเวลาโหนตัวเราังไม่มีเวรกันเราจะให้อภัยกันพอเจอกันพอใครเข้ามาทำให้เรา ไม่พอใจแล้วก็เรา เ, ออเราจะไม่จองเวรกันเราจะให้อภัยกันอันนั้นนะถึงจะเป็นเวลาแผ่แผลตอนที่เจอกันตอนที่อยู่คนเดียวมันไม่ได้แผลคำว่าแผลมันก็ต้องมีคนรับสิใช่ไหมนี่จะไปแผ่ให้ใครนะแผ่ให้ดวงวิจาาณสัรพสัตว์ก็มานั่งรอรับแผ่ของเราเลยมันไม่มีหรอกคําถามจากคุณมาริวันอยากกราบเรียนถาม หนูเสียลูกสาวไปวัยสิบขวบไปด้วยไข้เลือดออกเมื่อวันที่สิบเจ็ดกรกาคปีหกศนหนูฝันเห็นเขาบ่อยมากอยากเรียนถามว่าลูกจะลำบากไหมคะเขาอยู่พบนู้นแล้วลูกจะรับรู้ในสิ่งที่พ่อแม่ทำบุญให้ไหมคะก็แล้วแต่เขาถ้าเขามาขอรับส่วนบุญแล้วเราทิศบุญให้เขาเขาก็จะได้รับแต่ถ้าเขาต้องไปรับใช้บาปหรือรับใช้บุญเขาก็จะไม่มารับรู้เรื่องของเรา ถ้าเขาไปอยู่บนสวรรค์เขาก็สบายเขาก็ไปเขาก็ไปท่องเที่ยวเหมือนไปเที่ยวต่างประเทศถ้าเขาไปอบายาก็ไปตกนรกก็เหมือนไปติดคุกติดตารางเฉะนั้นเราไม่มีวันที่จะรู้ได้นอกจากเรามียาอย่างพระพุทธเจ้านั้นเฉนั้นเราก็ไม่ต้องไปคิดมากคิดว่าเขาไปของเขาแล้วเขาไปสู่สภาพของเขาไปรับผลบุญผลบาปของเขาแล้วถ้าเขา มารอรับส่วนบุญแล้วก็ทําบุญอุทิศไปให้เขาก็แล้วกันถ้าเข้ามาฝันเราเข้าฝันมัน เ, เข้าบ่อยๆก็คิดว่าเขาอาจจะมาขอส่วนบุญจากเราก็ได้เราก็ทําบุญให้เขาไปคำถามจากครูป้อมข อ, อนิมทนาพระอาจารย์อธิบายวิธีเจริญมรรคแปดด้วยค่ะอ๋อแหมถามนี้ไม่ไหวแร้วเจริญมรรคแปดการียนสีนสมาธิปัญญาเนี่ยมรรคแปดให้มีศีนฝึกสมาธิ มันจเจริญปัญญาให้เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามอาหารก็ไม่น่ากินอาหารเป็นอุจจาระมองอาหารที่ไยให้คิดถึงอุจจาระเพราะมันมาอุจจาระมันก็มาจากอาหารมันจะได้ไม่อยากกินไม่ใช่อะไรเนี่ยสินมกรคแปก็มีแค่นี้ครับคถามจากคุณชัชวาลการที่ใจเราอยากจะทำบุญ เป็นความโลภหรือไม่ครับเป็นความโลภแต่เป็นโลภในสิ่งที่ดีไม่เสียหายเป็นมรคไม่เป็นกิเลสเรียกว่าฉันทะ <c oughs> ถ้าอยากจะรวยนี่เป็นที่ไม่ดีเป็นกิเลสเพราะมันจะพาเราไปสู่ความทุกข์ความความอยากจะทาบุญนี่จะพาเราไปสู่ความสุขมันถึงดีไ <c oughs> อ้พระเจ้าบอกให้ฝ่บุญฝ่กุศลให้อยากทาบุญอยากบวชอยากปฏิบัติธรรมนี่ดี เราะจะนำไปสู่ความดับทุกข์อย่าไปอยากได้ลาบยศเสริญอย่าไปอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสเพราะจะนำไปสู่ความทุกข์คำถามจากคุณเพชรเราสามารถนั่งนั่งภาวนาไปเลยโดยที่ไม่ได้สวดมนต์ยาวๆได้ไหมคะหรือถ้าสวดแค่น้ำโมกับบทบูชาพารัตนา์ไตาแค่นี้แล้วนั่งภาวนาเลยได้ไหมคะได้การนั่งก็เพื่อให้จิตสงบ ถ้าจิตไม่สงบบางทีก็ต้องสวดก่อนถ้านั่งได้เลยสงบได้เลยก็ไม่ต้องไปสวดคบ ถ, ถามจากคุณอัชาราขณะนั่งกรรมาฐานจะกืนน้ำลายบ่อยๆแสดงว่าจิตเราไปเพ่งตรงนั้นใช่ไหมเจ้าคะใช่ไม่ได้อยู่กับพุทธโธไม่ได้อยู่กับนมไม่อยู่กับน้ำลายคบ ถ, ถามจากคุณสิริ เพพัฒนาจิตใจด้วยศีลสมาธิปัญญาตัวที่พัฒนาคือตัวคิดหรือตัวรู้เพราะอะไรคะตัวจิตเนตัวจิตมันก็จะพัฒนาไปในทางที่ดีมันจะคิดดีแต่จะคิดไม่ดีเพราะมันรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีตอนนี้มันไม่มีปัญญามันก็เลยหลงไปคิดในสิ่งที่ไม่ดีว่าดีสิ่งที่ดีไม่ดีมันก็เลยคิดกับตาละปะั่มันก็เลยเจอแต่ความทุกข์ พอไปคิดว่าสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นสุขนั่นเองคิดว่าราบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสเป็นสุขพอได้มาแล้วก็ทุกข์กับมันเวลาเสียก็ต้องทุกข์กับมันได้ก็ทุกข์เสียก็ทุกข์ไม่รู้ว่าความสุขก็คือความสงบกลับไปเห็นความสงบเป็นความทุกข์นั่งทีไรมันทรมานเหลือเกินนั่งสมาธิแต่ละครั้งรู้สึกมันจะตายให้ได้ ก็เลยเห็นว่าการหาความสุขกลายเป็นการหาความทุกข์ไปเลยไม่อยากนั่งสมาธิกันแต่ถ้านั่งดูหนังไม่ดูเท่าไหร่ก็นั่งดูได้นั่งแล้วก็หูตาฉี่ก็ไม่เป็นไรคำถามจักคุณรัชนีเวลาสวดมนต์ใจชอบคิดเรื่องต่างๆบาปไหนเจ้าคะไม่บาปแต่มันไม่เป็นบุญมันไม่ได้ผลนะเวลานั่งสมาธิหรือสวดนมนต์ต้องไม่คิดอะไร จิตจะได้สงบจะได้มีความสุขจะได้บุญคําถามจากคุณสุรัธนาถ้าเราตายด้วยอุบัติเหตุไม่ทันได้ภาวนาพุโทโธเราก็ต้องไปเกิดที่ไม่ดีใช่ไหมเจ้าคะไม่แน่หรอกอยู่ที่บุญที่บาปเราทําไว้ว่าเวลาตายไปนี้อันไหนมีกําลังมากกว่ากันถ้าบาปมีกําลังมากกว่ามันก็จะเดึงเอาไปอบายถ้าบุญมีกําลังมากกว่าก็จะเดึงเราไปสวรรค์งั้นพยายามทําบุญไปเยอะ แล้วเวลาตายไปบุญมันมากกว่าบาปบุญก็จะนดงไปสู่สวรรค์ครับถามจากพาระปาดิตฐ์ทำทานกับพระอรหันต์ได้อ น, นี้สมเยอะไหมครับเหมือนกันทำพระอรหันต์กับทากับม้าก็ได้เท่ากันทำร้อยบาทก็ได้บุญร้อยบาทเหมือนกันแต่ประโยชน์ที่ได้จากพระอรหันต์กับม้านี่ต่างกันทําบุญกับพระอรหันต์แล้วได้ฟังเทศฟังธรรมได้ธรรมะจากพระอรหรันต์ ทำบุญกับหมาแล้วก็ได้ฟังหมาเห่ามันต่างกันตรงนั้นแต่บุญเท่ากันบุญที่เกิดจากการเสียสะละเงินร้อยบาทนี้เท่ากัน <c oughs> เป็นความสุขใจเท่ากันเลี้ยงหมาร้อยบาทเลี้ยงพระร้อยบาทก็เกิดความสุขใจเหมือนกันแต่สิ่งที่เราจะได้รับจากพระกับจากหมามันต่างกันคำถามจากคุณวันศุกร์คำว่าระเบิดขันห้า ลงอนัตตาในที่นี้หมายถึงการเปลี่ยนสัญญาตรงที่ว่าไม่ไม่ว่าเห็นได้ยินสัมผัสลิ้มรสหรือแม้แต่ความคิดก็ให้จำเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่ใช่ของเราควบคุ ม, มคบังคับไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมครับคําถามจากคุณปารินใครกําหนดเรื่องกรรมเรื่องนรกสวรรค์นิพพานครับธรรมชาติเนี่ย ันเป็นกดของธรรมชาติ <c oughs> กฎแห่งกรรมนี้เป็นกฎของธรรมชาติเหมือนกับกฎของการหมุนเวียนของโลกนี่ใครไปกำหนดให้มันหมุนใครไปกำหนดให้พระอาทิตย์ขึ้นทิศตะวันออกแล้วตกทางทิศตะวันตกก็ธรรมชาติเป็นตัวกำหนดกฎแห่งกรรมก็ธรรมชาติเป็นผู้กำหนดถ้าคุณทำดีคนก็มีความสุขใจถ้าคุณทาไม่ดีคนก็ทุกข์ใจ ถามจากคุณหลงรู้คนภาวนาสายเดินปัญญาต้องฝึกเข้าชานเก่งเพื่อเกิดปัญญาและหักและหาร ก, กิเลสขาดจากจบ้านใช่ไหมคะคือถ้าไม่มีสมาธิมีปัญญาก็กสู้กิเลสไม่ได้ตอนนี้เรามีปัญญากันทุกคน้รู้ว่ากิเลสเป็นต้นเหตุของความทุกข์แต่เราหยุดมันได้ปะเพราะเราไม่มีสมาธิไม่มีสติที่จะหยุดมัน เรต้องฝึกสมาธิทําให้จิตนิ่งให้สงบพอจิตนิ่งแล้วเวลาเกิดกิเลสก็ทําให้มันนิ่งหยุดกิเลสได้แต่ตอนนี้เราไม่มีเบรกที่จะทําใจให้เรานิ่งพอเกิดกิเลสแทนที่จะหยุดกิเลสกับถัไหลไปตามกิเลสเลยกิเลสบอกให้เป็นชงกาแฟมาก็ไปเลยถ้ามีถ้ามีสมาธิก็ไม่ไปเป็นนั่งสมาธิดีกว่าถ้าหิวถ้าอยากมีความสุขก็เอาความสุขจาก ความสงบดีกว่าเอาความสุขจากการไปดื่มกาแฟเพอดื่มกาแฟแล้วเดี๋ยวมันไม่มีกาแฟเดิมก็จะทุกข์คำถามจากคุณปายุดาการใส่บาตรท้าทีละรูปขณะใส่จิตอุทิศให้ผู้ล่วงลับไปเลยได้หรือเปล่าคะเช่นรูปนี้ใส่นึกถึงบิดารูปนี้นึกถึงยายรูปนี้นึกถึงน้องชายทําแบบนี้ถูกต้องหรือผ่าคะก็ได้อยากจะทำอย่างนี้ก็ได้ หรือจะรอทําพูดเดียวเวลาใสยก็อย่าเพิ่งไปวุทิ์เวลาใสยก็มีสติเพราะตอนนั้นบุญยังไม่เกิดกําลังใส่บุญยังไม่เกิดต้องใส่เสร็จแล้วบุญถึงจะเกิดใส่แล้วมันมีความสุขใจอิ่มใจถึงจะได้บุญขณะที่กําลังใส่มันยังไม่ได้ยังไม่ได้บุญเต็มที่เราต้องใส่ให้เสร็จก่อนเหมือนกินข้าวให้เสร็จก่อนกินแล้วอิ่มแล้วเอาความอิ่มนี้ไปแบ่งให้ให้คนอื่นได้ขณะกําลังกินอย่าเพิ่งไปแบ่งความอิ่ม เวลาใส่ก็ให้มีสติอยู่าการใส่ใส่เสร็จแล้วพอพระท่านไปแล้วเราก็นั่งอุทิศไปได้เลยนั่งไปภายในใจไม่ต้องใช้น้ำกวดความความนึกของเราทางจิตใจนี้เป็นการส่งส่งบุญไปแล้วคำถามจากคุณณพลถ้าคนนึกอยากทำกรรมฐานก็ทำไม่อยากทำก็คือไม่ทำ ทำไม่สม่ำเสมอการสอบจิตย่อมไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมครับเพราะส่วนลึกผมมันบอกว่านี่ไม่ใช่การสอบจิตแต่เหมือนการแกล้งกันขำๆให้เหมือนว่าผมเหมือนตัวตลบไม่ทราบความหมายว่าไปสอบจิตอะไรเกี่ยวใครเกี่ยวกับการปฏิบัติไม่ปฏิบัติอย่างไรคำถามจากนางสาวดอกไม้เวลาทำงานโดนเอารัดเอาเปียกโดนกันแย้โดนจ้อง ต้องจับผิดแค่คิดยังไงถึงไม่ทุกข์คะก็คิดว่าเราห้ามก็ไม่ได้เหมือนกับฝนฟ้าอากาศเวลาเดินไปฝนตกเราไปโมโหฝนก็แ่าทําให้เราเปียกไงมือนกันแก้งเราก็แบบใช่ไหมเราไม่โกรธมันใช่ไหมมันทําให้เราเปียกทั้งตัวเราก็กลับโทษเราว่าโง่ไม่ถือไม่ถือล่มไปเองอันนี้ก็เหมือนการคลายการแก้งเราเราไปโกรธเขาก็แสดงว่าเราโง่เราไม่มีธรรมะป้องกันใจเรา สมาที่ป้องกันใจเราก็คือปัญญาก็ว่าเขาเป็นเหมือนแดดเหมือนฝนเขาจะกันแกล้งเราก็าจะเอาแล้วเราเปรียบเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้เราล่มมากลางสิเอาปัญญามากลางเราจะไม่ทุกข์กับเขาถ้าเรามีปัญญ า, มาหมดแล้วแนละ้วเนี่ยเดี๋ยวนั่งพักุมเดียวยังมีเวลาสิบนาทีเข้าใจไม่โย มาจากที่ไหนมาจากโน่นันแหละเป็นเกนเตียแต่เกนเตีเเยวัดที่้องที่หนองออวัดของอาจารย์สุธิอะไรนะัป่าวแล้ววัดของไอ้วัดหนึ่งมีสองวันไม่ใช่รงน้ออสองปีตรงนั้นนีมีวัดของอาจารย์สุธิพองอีกวันหนึ่งไหอ แล้วก็มีวัดที่เป็นอยู่บนเขาใช่ไหมไปวัดไหนมีสองวัดมีสองวัดแต่ไม่เคยไปเคยไปแต่วัดตะเคียนเตี้ยที่มีพระอยู่รูปเดียวเนี่ยนะมีอยู่หลายรูปหลายรูปแล้วมาที่นี่ได้ยังไงล่ะไม่ใครแนะนามานะ อผมก็เลยถามมาแล้วก็ตามมาแล้วก็เห็นท่านตอนที่บิณฑบาตตอนเช้าครับก็ได้เป็โอกาสเป็นปากคําได้ไปถวายอ่านแล้วก็ปัจจัยให้ท่านเป็นปากครับอ่าแล้ววันนี้เป็นวันเกิดของแม่ครับได้รับแม่กมทั้จ็บท้งอืมแม่ฟังรู้เรื่องไหมในวิทยุก็เปิดทั้งวันอ่าเปิดทั้งวันเนี่ย วิทยุอะไรทางวิทยุวิทยุเทพเปิดไป่ฐานอ๋อใส่นบา่อรั้งเขาก็เปิดของพ่อาจารย์บางครั้งเขาก็เปิดของคือแปดสิบแปดเปดสเขามีมีของเรามีของเราออกด้วยเลยมีพระที่ท่านอยู่บางละมุงท่านก็เอาของของทนอาจารย์ที่เป็นซีรีมาเปิดเปิดที่ไหนเปิดที่มัดเลอแล้วเปิดท่านอืม เปิดไม่ใ่ยุฟังอ๋อังบ่อยค่ ะ, ะดีฟังแล้วได้ประโยชน์นะทำ<า>ให้สบายใจวันนี้มันเกิดแม่นะก็ดีนะเป็นลูกที่ดีพาแม่มาทำบุญพาแม่มาฟังเทศฟังธรรมเลยดีกว่าไปเลี้ยงวันฉ <c oughs> ลองวันเกิดเป่าเค้ก <c oughs> ทำบุญดีกว่านะ มีคำถามขเข้ามาไหมถามคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามถ้าเราพยายามตัดการติดต่อเรื่องของรักของชอบครั้งแรกๆจะลำบากใช่ไหมคะหลังจากนั้นจะหายไปเลยใช่ไหมคะถ้าเราฝืนไปเรื่อยๆมันก็จะหายไปเช่นบุหรี่เนี่ยเราชอบสูบบุหรี่ทุกครั้งอยากจะสูบแล้วก็ฝืนมันอย่าไปสูบมันเดี๋ยวไม่กี่ครั้งมันก็จะเบาลงไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะหมด ไม่ว่าเราทำแล้วเราทำเพราะเราติดมันไงติดเป็นนิสัยเราจะเลิกนิสัยนี้ก็ต้องฝืนมันต้องไม่ทําตามมันพอไม่ทําตามสักพักมันก็เปลี่ยนเป็นนิสัยไม่ทําไปจากนิสัยทําก็กลายเป็นนิสัยไม่ทําไปคําถามจากคุณสมพรเวลานั่งสมาธิจิตชอบสงบเห็นชอบเห็นแสงใช่ิมิตไหมครับก็มันก็แสงก็เรียกว่าเป็นนิมิตอย่างหนึง่งแต่ไม่ควรไปสนใจ ยังสงบไม่เต็มที่ควรจะภาวนาต่อไปควรจะดูลมหรือพุโทโธต่อไปอย่าหยุดให้มันดิ่งลงไปแล้วก็นิ่งแล้วหายไปหมดไม่มีอะไรให้เห็นให้รู้มีแต่ความสุขอย่างเดียวภาวนาต่อไปอย่าไปสนใจอย่าไปตามนิมิตเดี๋ยวมันจะทำให้เราหลงทางได้คำถามจากคุณนคพคคำถามเมื่อสักครู่นะคะ คนที่รู้ทำบ้างไม่รู้ทำบ้ากการสอบจิตย่อมเกิดประโยชน์อย่างคู่รู้ปฏิบัติทําจริงใช่ไหมครับก็เหมือนนักเรียนเนี่ยนักเรียนทำไมต้องให้มีครูมาสอบเพราะครูรู้มากกว่านักเรียนใช่ไหมนักเรียนไปสอบครูได้ไหมสอบไม่ได้ฉะนั้นคนที่มีความรู้น้อยกว่านี้จะไปสอบคนที่มีความรู้มากกว่าไม่ได้ต้องคนที่เขามีความรู้มากกว่าเขาจะสอบคนที่มีความรู้น้อยกว่าได้ คุณคัญยระกลสาวมักฝันว่า <c oughs> ได้ไปใส่บาต ท, ที่สวรรค์ประจําและเจอรพระที่มรณะภาพไปแล้วหลายองค์อยู่ที่สวรรค์ยังมีใส่บาตอยู่ไหมคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความฝันนีความฝันมันฝันเป็นมาเศสดธีก็ได้มันจะจริงไม่จริงนะอีกเรื่องหนึ่งบางทีก็ตรงกับความจริงบางทีก็ไม่ตรงกับความจริงเราก็ต้องพิสูจน์ดูฝันว่าถู ก, กรอตลีรางวัลที่หนึ่งวันนี้ลองไปซื้อดูดูว่าถูกกับเปล่า ถ้าถูกแกรู้ให้เราฝันจริงเนี่ยฝันเป็นจริงแล้วถ้าแทงแล้วไม่ถูกก็แสดงว่าเป็นแค่ความฝันไม่ใช่เป็นความจริงห ม, หมดแล้วเนี่ยมีอะไรไหมมีอะไรจะเสริมไหมถ้าไม่มีก็จะปิดฉากแล้วนะก็ <laughs> <laughs> คิดว่าพอสมควรแกเวลา